ฉันเหมือนจอเป็นดอกกุหลาบตอนเวลาเดินผ่านมันใจกันดอกไม <Yeah. S 1> ้เวอแป๊บเดียวเธอก็ปล่อยมือจากทำว่ายืนตัวสั่นถึงวันเด็กออกมา <Yeah. S 1> I wanna kiss you.